เจ้าคุนทำมเจดีจึงถามข้าพระเจ้าก่อนพระองค์อื่นในการจะแจกให้ก็น่าจะถามตามเป็นลําดับพรรษาลงไปแล้วจึงคิดเดาด้วว่าจะลอยองค์ท่านจะคิดว่าเอาให้ถูกกับกิเลส ข, ของผู้เจ้าน้ําตานี้ก่อนเกิดก็อาจเป็นได้เพราะองค์อื่นภาวนาผ่านน้าตาไปไกลแล้วองค์นี้ยังเป็นบ่อยของน้ําตาอยู่ตกนรกทั้งเป็นอยู่สุดท้ายองค์พระอาจารย์มหาคูบาวันคูบาทองคำ คุณสีหาก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันส่วนบาทนั้นก็ถวายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีและองค์ท่านก็ต้องการอยู่ไม้เท้านั้นพระอาจารย์กงมาเอาไปและตกไปกับพระเถระองค์อื่นๆด้านและเก็บไว้เป็นอนุสาวรีย์เป็นส่วนมากเมื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เก็บบริคานเสร็จแล้วบาทก็ดีหรือไม้เท้าก็ดีหลวงปู่มหาบัวกับด็เตอรเฉาไปเที่ยวขอคืนมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ต่อไป ให้เป็นปูชนียาสมบัติของกลางแต่บาดนั้นข้าพระเจ้าจำได้ลูปลักลษณะเห็นอยู่ในตู้พิพิธภัณฑ์ไม่เหมือนลูกที่องค์หลวงปู่ใช้อยู่สมัยองค์หลวงปู่สิ้งลงลนลมปรางบาดลูกจริงคงจะเอาไว้บนเพดานสูงเพราะบาดลูกนั้นเป็นบาดกลมสันทบระบมด้วยไฟขาวเป็นระยับไม่ได้สูงเรียวปากอมอมๆแบบนี้แต่ก็น่าพิจารณาอีกหลวงปู่สิ้งลงลนลมปรางไปหลายปี ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีใช้ไปใช่ไปทะลุแล้วก็ไม่ทาบและท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็สิ้นลมปราณก่อนลิเริ่มทาพิพิธภัณฑ์เก็บบริขารหลายปีคงจะมีท่านผู้อื่นเอาไปใช้แล้วไม่เห็นต้นเห็นปลายก็อาจเป็นได้แต่เมื่อเวลาถูกไปขอคืนลาลาหลังๆก็เอาบาดลูกอื่นๆที่เก็บไว้ในตู้มาให้แก้ปัญหาซึ่งหน้าก็อาจเป็นได้ส่วนบริขารอื่นๆ น, นั้นไม่สงสัย สงสัยแต่บาทเท่านั้นจะอย่างไรก็ตามกลาลบบ้าบ้าบอไปเฉยเฉยดอกสิ่งไหนที่เราสมมติเป็นบริขารหลวงปู่มั่นแล้วเขาลบนับถือกราบไหว้ก็เป็นบุญทั้งนั้นพระพุทธรูปไม้อิด ห, หินปูนเหล็กทองแก้วเราทำขึ้นแทนเป็นฉายาของพระบรมศาสดาเป็นที่ระลึกพระคุณก็เป็นบุญที่ได้กราบได้ไหว้ได้ระลึกถึงเป็นอาหารของจิต วิมานของจิตก็เป็นบุญทั้งนั้น<ม>เห็นเมฆไหลผ่านอากาศสมมติว่าพระบรมศาศสดาหอบมานก็ดีเรากลาบไหว้ก็ได้บุญทั้งนั้นไม่เห็นอะไรเป็นวัตถุภายนอกแต่เห็นจิตใจของตนไม่ตรึกไปในทางการมลมไม่ตรึกไปในทางพยาบาทไม่ตรึกไปในทางเบียดเบียนก็เป็นกุศลอันละเอียดลงไปที่ใจอีกเป็นภาวนาจิตตานุปัสนาภาวนาไปในตัวด้วยไม่เห็นอะไร เห็นแต่ดินานา้ำลมไฟเต็มไตรโลกกาะถาทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งใกล้ไกลหยาบละเอียดสุขุมทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคต ด, ด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเห็นแบบลาบคาบเสมอหน้ากองชัยก็จัดเข้าในภาวนาในแห่งรูปขระคันด้วยจะเป็นการบรรเทาช่วยให้ลดความหลงดินา น, าน้ำไฟลมลงได้และการหลงหนังหุ้มก็จะผ่อนคลายลงเพราะหนังหุ้มเป็นธาตุดินเมื่อไม่หลงดินน้ำไฟลมแล้ว ความหลงสิ่งเงินอื่นอันละเอียดไปกว่านี้ก็อยู่ในกำมือกำใจจะชนะได้เมื่อรู้ชัดอันหนึ่งอันอื่นๆก็ค่อยเป็นไปดอกถ้าหลงอันใดอันหนึ่งในสกลลกายสกลลใจก็พลอยหลงไปด้วยความหลงมีอำนาจฝ่ายกิเลสหันมาเรื่องลอชาปนกิจขององค์หลวงปู่ต่อไปเมื่อองค์หลวงปู่ยังไม่ได้ถวายพระเพลิงก็เป็นการจนใจอยู่ในตัว จะไปวิเวททางใดก็ไม่พอจะสะดวกหัวใจการงานอะไรอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นก็หนักทวีขึ้นศาลาก็ต้องผูกหนึ่งหลังยาวประมาณ15ห้าเมตรกว้างประมาณส0เมตรหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟันสมมติให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตัดเครื่องบนคือคือดั่งจนทันเอาเข้ากันเป็นตับแต่ล่างยกขึ้นใส่เสาเป็นทวีเพราะคนมากพระมากหานิจจาเหยทั้งอดนอนทั้งฉันอาหารไม่มีลด ทั้งรับละทั้งปฏิบัติท่านเจ้าคุณทำมเมเจดีอันเป็นอุปัชฌาของตนกับหน้ากับหลังด้านจงกรมไม่ได้เดินเสียเลยนึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่ไม่มีประมาณพราะองค์ท่านสั่งซ้ําๆำซากซักไม่ให้เอาไว้นานเพราะเกรงว่า ล, ลูกลูกหลานจะห่างเหินจากสมาธิภาวนาและก็เกรงว่า ล, ลูกลูกหลานจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเก็บศพไว้นานเป็นการคุกขี่นับว่าเป็นอนาคตัาางสยาน ยานในส่วนอนาคตขององค์ท่านถายไวไม่ผิดเพราะอินละมานจุกจิกคุกคียุ่งเหยิงมากแต่ก็ตรงกันข้ามผู้ชอบเพลินก็ว่าสนุกดีผู้ลักประเพณีของฝ่ายปฏิบัติก็ว่าไม่เหมาะสมการอยู่ร่วมโลกเป็นของยากนักหนามาแต่ดึกดําบันเพราะจิตใจและความเห็นไม่ทรงอยู่ระดับเดียวกันได้คล้ายกับพระอาทิตย์และพระจันทร์พระอาทิตย์เดินเร็วพระจันทร์เดินช้าจําเป็นต้องมีปักขาดบ้างปักต้วนบ้าง และอภิกมาตบ้างจะได้มีอุบายห้ามหลอผู้เดินเร็วได้บ้างจะได้ชายผู้ช้าให้เดินเร็วเข้ากว่านั้นบ้างมิฉะนั้นแล้วหรือดูการก็จะผิดปกติไปมากพระวินัยบางแห่งก็มีอนุโลม์พิสุผู้บวชใหม่เช่นอาบัตทุกกฎบางประเภทอาทินุ่งห่มยังไม่เรียบร้อยยังไม่เป็นปริมณฑ น, นและฉันมาเล็ดข้าวตกลงในบาตและในที่นั้นแต่จะแอบกินกับอนุโลมไปหน้าเดียวก็ไม่ได้ เช่นพิสูจเป็นบ้าไม่ให้โจด ท, ท่านด้วยอาบัตที่ทําที่ล่วงในเวลาเป็นบ้าที่เรียกว่าอามูละห์วินัยเหล่านี้เป็นต้นถ้าจะใช่แต่อานุโลมถ่ายเดียวก็ไม่ได้ฉันใดก็ดีผู้ปฏิบัติตึงย่อมไม่พอใจในผู้ปฏิบัติยอ่อมผู้ปฏิบัติยอ่อมย่อมเป็นที่ไม่พอใจของผู้ปฏิบัติตึงแต่ตึงไปทางถูกก็น่าชมตึงไปทางผิดนอกธรรมนอกวินยัยก็เป็นปัญหาไปอีกละ แต่ตึงไปทางถูกในปัจจุบันเดี๋ยวนี้คงจะเป็นการพอใช้ได้ในครั้งพุทธการกำมังการปฏิบัติไปพอปานกลางในยุคปัจจุบันคงจะจวนจะพอใช้ได้ในครั้งพุทธการข้าสำคัญว่าปฏิบัติหย่อนในสมัยปัจจุบันยุคเดี๋ยวนี้ก็คงจะเป็นขั้นเลวมากในครั้งพุทธการกำมังแม้จะยิ่งหรือหย่อนหรือปานกลางหรือเลวก็ต้องมีทำวินัยเป็นเครื่องวัดทดสอบ จะบัญญัติเอาตามอัตโนมัติของไข่ของมันก็ไม่ได้อีกละเพราะคนเราเป็นส่วนมากย่อมเข้าข้างตัวถ้าเข้าข้างทำแล้วไม่ค่อยจะผิดถึงจะผิดก็ไม่ผิดมากมีประตูแก้ไขได้คนมีกิเลสหนาเท่าใดก็ย่อมเข้าข้างตัวมากเท่านั้นพระอรหันต์เข้าข้างทำล้วนๆเพราะไม่มีอุปาทานใดๆในขันธ์สันดานเลยจําพวกที่เข้าถึงโลกุตตะแล้วย่อมถือธรรมมาธิปไตยเป็นแว่น เป็นกระจกเงาเป็นบรรทัดเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเป็นไม้เม็ดไม้เส้นเหลือนอกนั้นเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้วันถวายพระเพลิงปลาลอเรื่องชาปนากิจขององค์หลวงปู่ต่อไปเพราะยังไม่เสร็จทั้นเวลาล่วงไปใกล้เดือนสามเพ็นท่านเจ้าุณธรรมเจดีและพระเสลานนเตลาก็จะเตรียมถวายพระเพลิงองค์หลวงปู่กะไว้ว่าพอถวายพระเพลิงเสร็จแล้วบรรดาพุทธบริษัท ผู้ต้องการจะไปท่าตพนมประจำปีของงานท่าตพนมก็จะได้เตลิดไปให้ทันไม่เสียเที่ยวของผู้ต้องการไปจึงตกลงกันในวันข้างขึ้นสิบสามค่ำแห่งเดือนสามเป็นวันถวายพระเพิงตากกันว่าสามทุ่มจึงจะถวายพระเพิงแต่มีผู้ขี่ดือไปรอบถวายพระเพิงก่อนสามทุ่มตอนเวลาค่ำมืดแล้วแต่ก็เป็นการแล้วไปตื่นเจ้าเก็บพระอัติทาตในยามฉันเจ้าเสร็จ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีได้ประกาศว่าท่านผู้ใดไปรอบเอาพระธาตุไปเป็นส่วนตัวฝ่ายพระเนรแล้วต้องปรับปาราชิกเตาไฟนั้นทำเป็นรูปโบสถ์พุนดินสูงหนึ่งเมตรเตา อ, อยู่ศูนย์กลางมีเปลวทั้งสี่ทิศเป็นรูโตทะลุกออกมาทุกด้านไฟลุกโผรงโดยรวดเร็วเก็บพระธาตุแล้วมาติกาบังสุุลถว า, ายสิ่งของตามประเพณีนิยมกันเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ท่านเจ้าุณธรรมเจดีก็เอาพระธาตุขึ้นไปบนระเบียงกุฏิองค์ท่านถามข้าพเจ้าว่าล่าเธอจะเอาไหมอัดิฐิธาตุกราบเรียนท่านว่ากล่าวไม่เอาดอกเพราะองค์หลวงปู่เทศซ้ำซ้ำซักษากในเรื่องพระธาตุอยู่บ้านหนองถือก่อนวันสิ้นลมปลานแล้วพระอาจารย์มหาครูบาวันครูบาทองคาคุณสีหาก็ไม่เอาหมู่คณะในวัดหนองถือก็ไม่เอา เพาต่างก็จ้องดูกันว่าใครจะเาคารพคําสั่งขององค์หลวงปู่สักเพียงไรเพราะกันเตศเรื่องแย่งกระดูกกันเป็นภาพพดให้สําเนียงเป็นเจ้าหัวใจอยู่แท้จริงแล้วข้าพระเจ้าก็ไม่อยากได้จริงๆเพราะนึกในใจว่าฐานะพระาธาตุขององค์หลวงปู่ไม่สมควรที่จะเอาไปใส่ในยม่มตามไปในทิศทั้งสี่สับสนอลคนกับสิ่งของอื่นๆเราไม่มีอิทธิพลจะสร้างเจดีย์บรรจุไว้ จะเอาไปให้เป็นบาปทำไมครั้งพุทธกาลก็มิได้มีตำนานว่าท่านองค์ใดเอาไปเป็นส่วนตัวในทิศทั้งสี่นอกจากจะเอาไปเที่ยวอวดคนว่าตนได้พระธาตุขององค์หลวงปู่มั่นเท่านั้นเมื่อคิดดังมีชัดในตัวแล้วจึงไม่ได้เอาถ้าจะเอาก็ได้เป็นกรรมมือเพราะอุปัชาของตนเปิดโอกาสพิเศษให้อยู่เพราะองค์ท่านเป็นประมุขในสังคมนั้น ทรรมวินัยขององค์หลวงปู่ไม่รีลับได้ทอดสะพานไว้ให้ลูกหลานจนวันสิ้นลมปลานมีปัญหาว่าพุทธธรรมสงมีใช่สะพานทองสะพานเงินให้จิตใจปฏิบัติเคารพบูชาดอกหรือตอบว่าอันนั้นเป็นของจริงเป็นของทรงอยู่ทุกๆการแล้วต่อไปกล่าวเรื่องท่านเจ้าคุณธรรมเจดีประชุมสงว่าพวกฝ่ายปฏิบัติตเอ๋ววันสุดท้ายของชาปนกิจพระอาจารย์ ที่ไปจากพวกเหล่านี้ต่อไปประจำปีพวกท่านจงมาประชุมกันณนที่นี้ดังนี้แต่ก็สองปีแลกการประชุมก็เป็นไปอยู่มีขอบเขตบ้างก็มีพระไปมากคั่นนานมาก็เบาเข้าเป็นลำดับทั้งนี้คงจะเป็นด้วยเหตุที่ทาบุญมหาชาติบ้างพุทาธาพิเศษบ้านซึ่งเปีนเกลียวปฏิปทาขององหลวงปู่ที่ปฏิบัติมาบรรดาผู้ลูนอกรูในก็เลยไม่ดูดดื่ม บรรดาท่านผู้อยู่ใกล้หลบไม่ได้ก็มาแบบฝืนๆบรรดาญาติโยมชุดเก่าที่รู้จักปฏิปทาขององค์หลวงปู่แทก็พลอยเกิดสงสัยไปด้วยและสถานที่เราก็ไม่วิเวกเหมือนแต่ก่อนกลายเป็นวิเวกบ้านวิเวกเมืองไปหมดถลอยจะเป็นด้วยเหตุนี้นี่เป็นเพียงการาคดาดเนเดาด้นแต่จะอย่างไรก็ตามสารยุติธรรมคืออนิจจ์นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ลงธรรมะ เต็มอยู่สับพไตโลกาอยักเยียดกันอยู่ตัดสินตามมาตราอนิจังแห่งมาตราที่หนึ่งของไตรลักษ์แต่เมื่อเห็นสบงแล้วก็ต้องเห็นจีวรต้องเห็นสังขารติก็ครบไตรฉันใดก็ดีเมื่อเห็นอนิจจังแล้วก็ครบไตรลักกันดีๆอยู่ในตัวเมื่อเห็นหนังก็ต้องเห็นกระดูกและเนื้อด้วยถ้าเห็นหน้าก็ต้องเห็นตาเห็นแก้มผู้เห็นนั่นคือใครใครเป็นเจ้าของผู้เห็น หรือเป็นแต่สักว่าเห็นใครเป็นผู้ลูว่าเป็นแต่สักว่าเห็นใครเป็นผู้ลูว่าเป็นแต่สักว่ารู้ตามไปตามมาก็หยอกเงาตนเองเป็นสังขารละเอียดนักคันท่านเจ้าคุณทำรรมาเจดีสั่งคณะสงฆ์ให้มาสังสรรค์กันในวัดป่าสุภาวาตปีละครั้งเฉพาะฝ่ายพระทุดงแล้วพระภิกษุสา ม, มเณรทั้งหลายผู้อยู่ไกลต่างทิศก็ทยอยกันลากลับสำนักของตน และเตลิดไปวิเวทตามความประสงค์บ้างก็มีมากส่วนท่านเจ้าคุณธรรมเจดีหลวงปู่หอนหลวงปู่ฟันหลวงปู่กงมาหลวงปู่เทศหลวงปู่มหาบัวออกจากวัดสุทาวาสเป็นหมวดหลังขณะที่รอทําชาปนางกิจอยู่นั้นหลวงปู่เทศได้ถามว่าเสร็จงานศพแล้วเธอจะไปไหนปราบเรียนองค์ท่านว่าองค์หลวงปู่มั่นสั่งเสียไว้ว่าถ้าเราตายไปแล้วขอให้ท่านมหาบัว ปกครองหมู่อยู่บ้านหนองผือมีเสียก่อนอย่าพากันแตกสาน้โมไปทางอื่นเพราะชาวหนองผือจะว่าเบะมากแต่เกล้าก็นึกคิดอยู่สองแง่ถ้าไม่ไปกับท่านอาจารย์มหาบัวก็จะไปกับพระอาจารย์ดังนี้องค์ท่านพูดลึกซึ้งแล้วตอบว่าไปกับท่านมหาบัวก็ดีไปกับผมก็ดีดังนี้ที่นี่องค์พระอาจารย์มหาบัวยังรักษาคําเดิมที่หลวงปู่ใหญ่สั่งไว้แล้วว่า องค์ท่านพูดว่าแล้วงานจพแล้วผมจะไปเที่ยวบ้านหนองบัวตะวันตกบ้านหนองผือนั่นเองแล้วจะเข้าจำพรรษาวัดป่าบ้านหนองผือตามคําสั่งขององค์หลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่เทศก็เปิดประตูแบบเป็นกลางองค์พระอาจารย์มหาก็เปิดประตูตามคําเดิมขององค์หลวงปู่ใหญ่สั่งเสียไว้ข้าพระเจ้าก็น้ําตาไหลต่อพระอาจารย์มหาซึ่งหน้าองค์ท่านองค์ท่านตอบด้วยความจริงใจว่า ถ้าท่านไปกับพระอาจารย์เทศแล้วผมก็ยินดีแล้วข้าพเจ้าก็ไปกราบลาท่านเจ้าคุณธรร ม, มเัจดีอดีองท่านก็กล่าวว่าเจ้าก็รู้ดีในใจว่าเหล่านี้จะอยู่กับพระอาจารย์มหาบัวองค์ท่านก็ไม่ขัดข้องจะอยู่กับองค์ท่านพระอาจารย์เทศองค์ท่านก็ไม่ขัดข้องเจ้ารู้ดีในภาพพจน์ของเจ้าแล้วแต่เจ้ากาลังว้าเวไม่รู้ว่าจะอยู่กับท่านผู้ใด กับท่านผู้ใดแท้เวลานี้เมื่อเหตุผลเป็นอย่างนี้แต่ศรัานั้นไม่ได้ถอยหลังออกจากพุทธศาสนาดอกถ้าเจ้าไปจันทบุรีกับท่านเทศจริงเจ้าจงไปเอามู ล, ลค่าโดยสารกับพระมหาสุพัฒน์ก่อนเป็นค่าโดยสารเพราะไปไกลมูลค่าของข้าพระมหาสุพัฒน์เธอเป็นผู้รู้จัก ด, ดีให้เธอเบอิดให้ไม่ยากดอกตกลงก็ได้ไปกับองค์หลวงผู่เทศแท้จริง ถ้าพระเจ้าก็ไม่งามอยู่ในตอนนี้เพราะองค์หลวงปู่ใหญ่ให้อยู่ในหนองผือต่อไปสักปีก่อนให้พระอาจารย์มหาเป็นหัวหน้าแต่มีหลวงตาทองอยู่เป็นผู้มีพรรษาเกินกว่าพระอาจารย์มหาอยู่หลายปีองค์พระอาจารย์มหาก็คงไม่สะดวกอยู่จึงคืนไปอยู่พรรษาเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าข้าพระเจ้ากลับไปอยู่นั้นในปีนั้นก็จะว่าเวมาหานะักเคยเห็นองค์หลวงปู่ประจําวันก็ไม่เห็น เห็นแต่ที่นอนที่นั่งที่จงกรมภาวนาที่ฉันที่ถ่ายที่ดื่มที่แสดงธรรมอติตาลมสังเวชวาเวหเงียบเหงาจืดจางในสำนักหนักเข้าก็จะเจ้าน้ำตาอีกในสมัยนั้นยุคนั้นเมื่อหลวงปู่ใหญ่สิ้นลมปลานแล้วคล้ายกับบ้าใบเสียจริตพิษสว ง, งงงวยเพราะคราวโศกก็โศกเกินงามคราววิจารก็วิจารเกินพอดีความเกินพอดี เป็นยาเสพติดกลายเป็นนิสัยติดแก้ยากนะสําคัญว่าตัวพอดีแต่เมื่อท่านผู้อื่นเห็นเขา้าก็ว่าเกินพอดีไปความพอดีพองำแห่งนิสัยวาสนานีไม่รู้ว่าอยู่ระดับใดแท้เป็นของไม่มีระดับจะวัดกันได้แต่ด้านจิตใจต่ําลงคงที่หรือสูงขึ้นนั้นเป็นปัจจัดตังจะรู้ตนเองแต่ละหัวใจของแต่ละลายแล้วมูลค่าบังสุกุลที่ข้าพระเจ้าได้รับ สมัยนั้นมูลค่าของข้าพเจ้าที่แทะกระดูกองค์หลวงปู่บางสกุลมี4ี่สิบบาทเท่านั้นแล้วไม่เบิดสักสตางเลยถวายสมทบกับโบสถ์ในวัดสุทาวาสนั้นและหลวงปู่ใหญ่สิ้นหายใจแห่งชีวามรณะกาเลในวัดก็มีมูลค่าหมดวัดนั้นสี่ร้อยบาทเท่านั้นคือสมบัติวัดป่าบ้านหนองถือส่วนจีวอนนั้นยังเหลือผ้าประมาณสี่ไม้ส่วนน้ามันกาดนั้นยังอยู่สิบสี่ปี ส่วนนมนั้นยังเหลืออยู่สามร้อยกระป๋องผ้าและนมได้เอามาใช้ในงานชาปนกิจเว้นไว้แต่น้ำมันเท่านั้นของก๊อ ก, กแก๊แกที่เอาไปใช้ในงานชาปนกิจเป็นต้นว่าแก้วและตะเกียงเสร็จงานแล้วองค์หลวงปู่อ่อนได้จัดส่งวัดป่าบ้านหนองผือหมดเรียบร้อยมีปัญหาว่าทไหนจึงได้เอาของก๊อกแก๊กในวัดป่าบ้านหนองผือไปใช้ในงานศพ บ, บ้านตอบว่า สมัยนั้นยุคนั้นวัตถุนิยมฝ่ายอามิรไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเงินมีราคาคณะสงฆ์จึงได้สมมติให้เอาไปใช้ชั่วคราวสงฆ์จึงได้สมมติให้ข้าพเจ้าและครูบาทองคำกลับไปเอาชาวบ้านหนองถือกำลังว้าเวคงจะเข้าใจไปทางอื่นแต่พระอาจารย์มหาบัวได้ตามไปอธิบายให้ฟังว่าของที่เอาไปใช้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปเต็นมรดกของวัดป่าสุทาวาดดอก และไม่ใช่พระทองคําและพระล่าจะเอาไปเป็นส่วนตัวและการนีเริ่มจะเอาของไปใช้ในงานก็ไม่ใช่พระล่าพระทองคํานี้เริ่มคณะสงฆ์ฝ่ายพระเถรานุเถระนิเริ่มต่างหาัถ้าจะใช้ให้พระองค์อื่นมาเอาก็กลัวจะเอาไม่ถูกเพราะไม่ใช่พระที่อยู่ในวัดป่าบ้านหนองถือมานานขอให้ญาติโยมอย่าพากันวิจารณ์ไปทางอื่นเลยแล้วก็หมดปัญหาไปบ้านแตกแสแหละขาด พระก็ว้าเวโยมก็ว้าเวมองไปในทิศทั้งสี่ภายนอกของตาเนื้อก็ดูว่าจืบชื่อไปหมดมองไปในทิศภายในด้านสติปัญญาก็เห็นแต่ทิศแก่ทิศเจ็บทิศตายทิศวิโยคผัดผลากทิศปรารถนาไม่ได้สมหวังทิศอนิจจังทุกขังอนัตตาทิศนิพพิทาทิศวิลาคาทิศวิมุตติทิศวิสุขทิทิศนิพพานเป็นเข็มทิศของพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐ ชี้ตักผ่าศูนย์กลางโลกออกไม่ได้เป็นเข็มทิศชี้วนเวียนเหมือนเข็มทิศชาวโลกียาวิสัยโลกียาวิสัยเป็นเข็มทิศชี้วนเวียนโลกุตตะละเป็นเข็มทิศที่ชี้เดินตรงไม่เหลียวซ้ายแลขวาก็ได้เพราะเป็นทางเตียนไม่มีสะดุดต่อไปวิเวกกับหลวงปู่เทศปลาลบเรื่ององค์หลวงปู่เทศต่อไปครั้นเสร็จงานถวายพระเพลิงแล้ว องหลวงปู่ก็พากันไปพักวิเวทวัดป่าบ้านจอมสีเป็นเขตอำเภอเมืองจังหวัดสนนกลนครนั่นเองตั้งอยู่ใกล้สีแยกแยกหนึ่งไปวัดป่าภูทรพิทักษหรือวัดป่าธาตนาเวงอีกแยกหนึ่งไปจังหวัดนครพนมแยกหนึ่งไปจังหวัดอุดรแยกหนึ่งไปในเมืองสกลมีพระห้ารูปด้วยกันนับทั้งองค์หลวงปู่ตั้งหน้าทําความเพียรไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะเห็นว่า เป็นยุคที่สุระว่างบ้านแล้วได้ความภาวนาประการใดกราบเรียนองค์หลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็เป็นผู้มีปัญญามากเมื่อท่านผู้ใดติดอยู่ในสมาธิล้วนก็ยุใส่สมาธิล้วนเมื่อผู้ใดติดอยู่ในอุปจารสมาธิสัมปยุทธ์ด้วยนิมิตต่างๆก็ยุใส่เมื่อท่านผู้ใดติดอยู่ในวิปัสสนาปัญญาล้วนก็ยุใสวิปัสสนาปัญญาล้วน แต่เมื่อมันเลยเกิดก็ดีองค์ท่านก็มีอุบายแก้ให้เยือกเย็นทรงเหตุผลมากองค์ท่านกล่าวว่าพวกเราทําเพื่อเป็นเครื่องจานานด้วยทําเป็นเครื่องหลุดเครื่องพนด้วยไม่เหมือนพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นั้นทําเป็นเครื่องทรงอยู่ของขันธวิบากชั่วคราวแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นติดอยู่โดยท่ายเดียวเพราะได้รู้เท่าทันเทียมถึงเหนือกว่านี้ไปแล้วจึงเป็นเรื่องของขันธวิบาก และจริยาวัดสืบประเพณีส่งตรงโดยไม่ได้มีกิเลสคือผู้หลงหลงมาสิงเจือพลอยู่เรียกอยากหาบว่าชายดอกเบี้ยของทรัพย์ประจำวันคืนแบบไม่เดือดร้อนว่าต้นทุนจะหายไปไหนและไม่กลัวว่าโจรจะมาจี้ปล้นไปไหนอำนาจเหนือแล้วคันพักอยู่วัดป่าบ้านจอมศรีอยู่ประมาณเกือบเดือนหลวงปู่เทศก็ได้เตรียมตัวจะพาไปวัดป่าเขาน้อยท่าจะแลบ ริมทะเลจังหวัดจันทบุรีเพราะเป็นที่ขององค์ท่านจำพรรษาผ่านมาในปีที่แล้วนี้แต่ต้องไปต่อรถไปที่จังหวัดอุดรเข้ากรุงเทพก่อนโยมบัวแถวนายเขียนก็จัดส่งขึ้นรถขึ้นรถยนต์สกลนครอุดรพอถึงอุดรก็ไปพักค้างอยู่วัดทิพยารัตน์วัดนั้นเป็นวัดที่โยมทิพยารัตน์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกหลังวัดโพธิสมพรนิดหน่อย ความจริงองค์หลวงปู่เทศจะเสียค่าโดยสารลถไฟให้พระที่ไปด้วยหมดเพราะโยมทางจังหวัดสกล น, นครเขาทราบว่าพระจะไปจนทับบุรีกับองค์หลวงปู่หลายองค์เขาก็ถวายมูลค่าไวจนพอข้าพระเจ้านึกไปมาอยู่หลายรอบก็ได้ความว่าเราควรจะแบ่งเบาค่าโดยสารขององค์หลวงปู่เทศบ้างเพราะมีทางจะแบ่งเบาได้อยู่คือสมัยนั้นยุคจอมพลปอพิบูลสงคราม รถไฟสายใดก็ตามขบวนใดก็ตามต้องมีตู้พิเศษหนึ่งตู้เป็นตู้ชั้นสองสำหรับให้พระไปฟีมาฟีแต่พระผู้จะขึ้นต้องมีใบรับรองจากเจ้าคณ ะ, ะจังหวัดฝ่ายพระต้นทางของจังหวัดนั้นๆก่อนประทับตาพร้องข้าพระเจ้าจึงไปกราบเรียนขอใบสุธิขององค ห, หลวงปู่เทศพร้อมทั้งห้าองค์โดยรวดเร็วไปวัดโพธิสมพรให้มหาสุภัตทำใบเดินทางให้คนละใบ ปลายทางลงกรุงเทพเพราะมหาสุภัพก็เป็นหลานของข้าพเจ้าเป็นเลขาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีฝ่ายท่านเจ้าคุณธรรมเจดียังค้างอยู่สกล น, นครยังไม่กลับพอได้ใบเดินทางแล้วก็รีบกลับวัดทิพยาลัดไปกลับด้วยรถสามลอ้อสมัยนั้นเขาเรียกรถสามล้อว่าแท็กซี่แท็กซี่ก็ว่ามาสมัยนี้เรียกสามล้อคำเดียวเพราะสมัยเรียกว่าเวลาชั่วคราวของการนั้นๆ และในวันนั้นเองหกโมงเย็นก็ได้ขึ้นรถไฟด่วนจากอุดรถึงกรุงเทพหลวงปู่เทศรับนิมนต์ไปปักใต้เมื่อถึงกรุงเทพแล้วก็ไปพักวัดบรมนิวามีพระประเรียนอีสารอยู่ทั้งหมดพักกุติสะเตา่ากับคุณบุญเหลือรู้จักกันดีเพราะแกเคยเป็นเนรปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เทศแกพาไปเที่ยวเต็มวันอยู่สองวันขึ้นรถ ล, ลงต้องยอมตามหลังแกแกพาขึ้นก็ขึ้น แกพาลงก็ลงเพราะเราไม่รู้จักที่ขึ้นลงแกไม่พาไปแต่สวนสัตว์แกว่ามันไม่เหมาะสมกับเพศพวกเราแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมตัวคิดในใจว่ามนุษย์ที่เที่ยวอยู่ในสงสารนี้ยัดเยียดกันในประเทศหนึ่งหนึ่งก็พระนครหลวงหนอเสมอภาคกันในด้านแก่เจ็บตายมีโยคผัดคลาดส่วนทําดีทําชั่วนั้นมีระดับต่างกันตามกรรมและผลของกรรมจําแนกแต่ที่สุดทุกโดยช่อบ ก็พระนิพพานแห่งเดียวกันผิดแต่ผู้ถึงก่อนและหลังเท่านั้นหนอได้ปรงทำไว้อย่างนี้เสมอเสมอเมื่อพักอยู่วัดบรนลมใีวาดนั้นประมาณหกเจ็ดวันแล้วก็มีพระอาจารย์มหาปิ่นชลีโตได้มาพบหลวงปู่เทศแล้วนิมนต์วิงวอนให้องหลวงปู่เทศไปเที่ยวทางปักใต้ลองดูพร้อมทั้งลูกศิษย์องหลวงปู่ตอบว่าจะไปหมดไม่ได้พวกเราต้องไปสืบทวนดูแล้วถ้าหากว่า สะดวกในการปฏิบัติจึงจัดให้ทูตมาตามเอาพวกนี้ภายหลังแต่ให้พวกนี้ไปพักหรอคอยอยู่วัดป่าที่ท่าเฉลี่ยที่ผมเคยจำพรรษาติดติกันมาได้สองปีแล้วที่จังหวัดจันทบุรีให้คุณจันสมพาพระเหล่านี้ไปเพราะเคยอยู่กับผมในที่นั้นแล้วเดี๋ยวนี้วัดไม่มีพระแล้วเมื่อตกลงกันดีแล้วก็แยกออกเป็นสองพวกพวกจะไปจันทบุรีก็ต้องเตรียมตัวในวันนี้ บ่ายสีโมงเย็นไปลงเรือปากขนังที่ท่าสวัสดีส่วนผมกับท่านมหาปิ่นกับคุณเกษมจะไปขึ้นรถไฟสถานีบางกอกน้อยพอได้เวลาก็กลาบลาไปใจว้าเวไม่ดูดดื่มไม่เปลินเพราะองค์หลวงปู่เทศไปทางหนึ่งแล้วขาดความอบอุ่นทั้งคิดถึงพระอาจารย์มหาบัวทางสกล น, นครอีกใจหนึ่งก็นึกถึงหลวงปู่ใหญ่ที่สิ้นลมไปอยู่ยังไม่นานวัน สามกระทง n สามด้านเจือเข้ามาละทางวัดเอารถยนต์ไปส่งถึงท่าสวัสดีเรือปากพนังจอดอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยาค่าโดยสารองค์ละยี่สิบห้าบาทห้าองค์ด้วยกันขี่เรือเล็กแล้วไปต่อเรือใหญ่อีกต่อมีคนอยู่ในเรือนั้นประมาณร้อยคนเป็นเรือบรรทุกเข้าสารพอหกโมงเย็นเรือก็เปิดบูดออกตรงไปปากอ่าวทะเลไม่ไว้ใจในชีวิตหนักเข้าเพราะเกงเรือจะเป็นอันตราย มีปัญหาในใจถามตนว่าถ้าเหลือจมลงเราถึงแก่ความตายเราจะไปเกิดที่ไหนเล่าตอบตนว่าจะไปเกิดที่ไหนก็ตามหรือไม่ไปเกิดที่ไหนก็ตามขอให้ภาวนาตายคากันก็แล้วกันตายไม่ภาวนาเรียกว่าตายไม่เป็นตายเป็นเรียกว่าตายพร้อมภาวนาต้องภาวนาตราลักตายแล้วคิดใจว่าไม่มีผู้ตายสังขารทำแย่ดับสังหากทำฝ่ายไม่เกิดไม่ตาย 你有，总有。